มีความผิดมีความเป็นตัวของตนเองอาวะยังเห็นยังมันผิดต้องไ่ได้ว่าไม่มีความเดือดร้อนเนาก็ทําไปนี่ไปแต่ยืนหยัดไม่ได้ถึขนาดนี้แต่ว่าไปทางหนาสะพนรับรองแต่มาร์ลังข้างหลังนั้นเรื่องที่มีความมั่นใจโยในด้านการปฏิบัติแช่ยกมือนี่แหละไม่ออกแช่ยกมือนี่แหละสามารถเปลี่ยนหัวใจเข้ากลับมาเป็นความกลับมาเป็นตัวของตนเองได้ในใดตะกี้ตะก้อนเนี่ยแต่ม า, าร์ก็เรื่องอทว่าไม่ได้ยกคนผูเทียนนี่กัน ไม่ไม่ตีแรกแรกไม่ไม่มนีนน่ึว่าโอ้ยแบกแบกผขอเชิญขที่เขาขึ้นเอ่อรูปโรเขาแบกโรคเหระแบกแบกคุณงามค้ดีแบกดีแบบนี้เเปิดเห็ด ย, ยังค้ำยังนี่บกล้าไปแตะเขาเปินางมดเลยสิ่ของต่างๆนี่ต่างๆนี่มันจะมีแปลกอย่างหนึง่งแตมาก่าหันมีคนมาเห็ดหล่ะกา่อยากเห็ดในช่วงที่เป็นอ า, าพาธนีกัน ่วเอาาพอาพาธยอยู่ล ง, งลอุบันวัชิระอาตมาก็ไปเป็นไปดูแลรักษาคนจ็คกั น, ก น, นไปดูแลไปดูแ ล, และอะไว้ยนอนกันนอนน้ำน้นกันนอนไปน <c oughs> ้นของนำของงายเพื่นก็นก้ายว่าเพื่นยุนดรใหิยมรถโยบไปยุดไหหลุพอใหอใหยบประกวนหลวงพอก็ไปเบ่งก็ดูแลเพื่อ น, น, นอีกคนแต่เพืว่วต่เนี้ยังกับพูดกับคุยกับถามก็บเคยในเลี้ยงกันกัเข้าหูแจ็คสังเกต คูจักสังเกใตในกาดูแลเพิ่นนีเพิ่นหายก็เลยอยู่ได้ง่ายแต่แลราพอไปจูจ่จีกจุกจิกก็เพิ่นยังมากมายนี่มากมายแต่ช่วงนึงนี่พาไปเปลี่ยนมา น, นี่พาไปเปลี่ยนเ พ, นพนนนราะเปลี่ยนปูบเนีนันบริเวณขอขึ้นบริเข้อมือโดนกระเพิดโดนไลออกมาเนี่ยมาว่าหาว่าจูจ้จีกจุกจิกหาว่าอันนั้นอันนี้ไปนี่ไปกัที่จริงลราพอเราพอเ พ, พ่นเพิ่นลราพูดี่เพิ่นบอกใครบอกใครมาค่นจูจ่จีกจุกจิกเฮ็ดยังขันยังัเทาเบิ้งเบิ้งเห่าเ า, าก็สามารถพอหยิบเชือกเขาก็มาเชด้ ตังเกจบังหลวงพ่อเทียมนั่นยเลอหลวงปู่เที่ยมหน่อเพื่อนทดสอบทดสอบอารมณ์ทดสอบความกดทนอะไรอย่างต่างๆแล้วก็ยุ่สนามนนี่ยหนังสือเนี่ยเพื่นตั้งไว้เมื่อนี่ตั้งอยู่มุมนี้เมื่อนี่เห็นเพื่อนจัดเขาก็ไปจัดจัดน้ำเพลนนี้น้เพน่ะจัดนี่ยกนี้ไปนี่ได้ยกนี่เห็นพอเห็นเพื่อนมันมือเนี่ยนกะจจับยกนี่เพ่นไปไปหันนี่หันยกนี้ไปหันเพื่อนเห็นเอเพ่นกระบอกเขาก็เฮ็ด่ะ เพชรซื้อๆทาซื้อๆเป็นบอกเอามือลังมาเอาจับอันนี้ยกอันนี้มาไว้ทั้งพี่ันนี้ไว้ทั้งี่อ๋อมาเลี่อไตรงนี้ทุกปเอ้ามคิดได้ภายหลังก็ท้อลงผดเคิ้นนี่ยเปนมีความที่จะทดสอบทดลองทดลองหนีองเขาไปตลอดใ้วยความเข้าใจด้วยความอดทนของเขาิตใจของเขาสิแวดล้อมบางคนนี่เพชรยังไงพลอยนั่นแหละนี่ที่ไปเพชรเพทั้งฝ่าทั้งหทั้งจมทั้งว่ามันกับบมั เกเฮ็ด า, appear, าทว ideology, าาทดสอบเพ่นบอกกังคูบาอาจารย์สั้งเหล่าเฮ็ดอาิสิิกนเล้วแก่เพ่นนีเอาเอาอดเหนียวไปเฮ็ดไปเมื่อกนวดกันตอนเพื่อนนวดเพ่นเป็นตชิ้กินมือกินแถวของคนหนียงคนนี่โอ้ยขนาดหัวแม่มือนี่กเจ็บสอกอก็เจ็บเหยียบอะไเฮ็ดปนี้ประเดียบอกเหยียบตั้งแต่พูดมาเลยก็เลยพู้จับจุดเก้วของพู้จับจุดเออพูดจับจุดเก้าของนีมองเลยมันปวดมองเลยมันเจ็บติจังมือนี่ ที่ายเจ้ามาปนย้ายมือหนิมือตอนไปไปโองพยาบานกับลูกคอสมหมายลูกไปอุเหตุเพิ่นมาปวดหัวหล่ไหล่าพั่นว่าปวดหัวหล่นี่หลอาจจะมากเลเคยเป็นเนาะแตเลยแบบที่ขาจะบอกเห็นมันเจ้าพูดจามันปวดไข้ทอยเฮานีเฮาเคยเอามาหนีบมางพื่อนเนาะกต่เลยมากวดปวดขณะเพิ่นปวดหัวยุ่ยังปวดหัวจนมาหิวชิวขมวดนี่เพราะปวดุบนีไขายอ้หายแล้วเพื่นว่า เสียมือบอกอะไรเะคุยตืมคุยตืมนะเสียมือบออแม่นี่หลีเมฆเล่ากายของเ้าบนหัวของเขาหมอนกันคมันห้อนคันมันมากินไปนี่เกิดไปเทียดเกนเข้มเรียดกันมาน้าเย็นๆมาสุปผ่ามนลูกลูกหัวลูกนีกัมาหนีกัมาคลายเป็นการคลายเขมเียดันในตัวของเขาน้าบางคน่าเครียดมแข้งีเแขงหอนหลายๆนี่ไหลปวดหัวปวดนี่หลายๆนี่ไหลเอาน้ำเท่านูงไปนี่นูไปสิคนเอาน้ำไปทำมันเย็นหลายละคันเย็นหลายมันสิผิดปกติ ลาดลงไปนี่ลงไปทำลงไปรู้สึกมันกันไงเมื่วปวดนี่กันนะ่ะดช้างกดขาปวดนั่นกวดนี่กเ็เฮ็ดแต่วดกระได้พอสมได้พ่อบ้านได้บ้างนี่บ้างแต่ว่าไ้ปวดเจ้าของมันก็บวนธรรนไดแต่กันไปปดใคคนอื่นเจ็บนี่รู้สึกว่ามันกะดีพอสมควรเพนรนว่าศาตัวนี้มันกะเป็นประสบการณ์คู้นจักสังเกตบ้งใเจ้าว่ามานี่ามานี่รู้สึกว่าเห็นเมื่อตบข้มือบีันนี้มเนี่ แม้แก็คอคอให้์เนอรที่เขาเจ้าบอกว่าให้กดเตะท่องที่ว่าท่องผูกข่านี้กดลงไปนี่ลงไปก็เคยเห็นอยู่ขึ้นกันกดลงไปนี่มันสีมันเสซนตัวงนี้มันตึงซึ่งเซนต์ตนี้มันตึงตึงแล้วนั่นคือมันเหมือนกับในร่างกายเองมันเหมือนกับมันขยับขย่อ่ะขยับขย่ายออกไปมันเคลื่อนเดือนออกไปเดินไปมันจะคลามระบายคล่มีนื่อการมัสื่อขึ้นมาขึ้นมาก็เออเขาก็สังเเขาก็เบิงอยู่ขึ้นกันเพราะเชนั้นว่า คณะผู้จัดสังเกตในร่างกายของเขานั้นรู้สึกมันมันมันมัดอ่างไในการรักษาขึ้กันไงในการรักษาเบาเบาปรยุกบ่อยากเท่าใดเท่าที่ควรกันเขาเข้าใจแต่เขนเข้าไปเข้าใจนั้นรู้สึกว่าโอ้ยอันเล้กัทุกข์กันร้ายนี่กันร้ายมันกันลาบากอ่าแสดงว่าเขายังพุทธมูจัดคนใจของจิตใจของเขาแม้แต่พวกที่นอนไหลตายขึ้กันสังเกตบางคนที่นอนฝันเนี่นอนฝันฝันว่าก่อภัยเนาะฝันวันปวดเบาล่ะ ก็ น, นั่นฟันฟันว่าปวดเบาปวดเี่ปวดแทงแขงพราปวดแท่งเนี่ยรู้สึกว่าไปทงเลยก็ ม, มีแต่คนบั่นยันงก็เสรก็มีแต่คนบพกล้าปูพกล้าเหงาอายนี่เพากล้าปล่อยออกยายมันอายอาคนเยคนไ่เห็นเลอั้นไปจนหูมือเองหูมือเลยปวดโถเจ็บคอเจ็บคอหน่อยจะได้ไปัวด้วดไปปวดปปวดไปปล่อยแสดงานีร่ง า, รางกายตอนนั้คันเมื่อใดแล้วมันมันผิดปกติเกิดขึ้นมาก มันมันทิมีปฏิกิริยาแหละเกิดความฝันเกิดความคิดเกิดความฝันขึ้นมาเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวเกิดขึ้นมาในขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นเล่าเกิดขึ้นมาอันนี้คือกัน่ะผู้ที่หลายตายคือกันอะนอนแล้วตายบางทีอันนี้อาจจะจักติมันโมเมนก็บปจักที่ห่อนห่อนยิ่งหนาห่อนนี่มันมันชอบห่อนคนเขาหนี่ห้อนเมื่อห่อนนี่กัไปอาบน้าอาบน้ำกอนมันบอกอาบน้ากอนกับคนชาวบ้านเขาหนีมันชอบนอนชอบนอนบอกหอนอมวิภาปิดเอิก เมื่อหอนห่อนเขานอนเด็กๆมามันอากาศมันเย็นมือนเมื่อเย็นร่างกายของเขามานอนพักผ่อนเมื่อพักผ่อนร่างกายท้ายอายุวั้นทงงไปหนของห่อนมันทำงานคอยเันการสูบฉีดเลือดหนึ่งสุดมันคอยพอคอยล่นงหพอเลือดพอเย็นอากาศเย็นเข่าเย็นเข่าเลือดมันเกิดเกิเป็นแข็งเหมือนเลือดสูบฉีดกับเลืยดหัวใจบทท่านนี่บทท่านร่างกายของเขาเกิดคอยนี่ลองไปนลองไปกัตีบเข่าตีบเข่ากัหลอเลืดตีบลงไปลงไปก็บสมาี่จะส่งเลือดเป็นเลี่ยงน หัแระบหัวใจกองเขาได้ดีได้มันก็เลยชอกก็เลยไปเลยนี่ไปเลยอันนี้สังเกตหนึ่งเม่หนึ่งตอนปฏิบัติมันเกิด อ, อารมณ์เกิดขึ้นมาเนี่ขึ้นมานอนอยู่ที่กุฏินี่ละ่ะกุฏิตะอนบ่เป็นหลังนี่ตะบนินปุูนหลังนี้ลื่อที่ลื่นลงไปเนี่ยมันก็เข้าเหมือนกระเข้าชีดนั่งอยู่ในเรือนอะ่ะเหลือมั้งสิมันสิกระโดกมันติดเรือติดขึ้นกระโดกขึ้นกระโดกล้งกระโดกขึ้นกระโดกคล้องอยู่นอนอยู่สิโอ๊ยตายตายตายตายตเปล่ยนชุดเปลี่ยนอุซีละวันนี่นอน เข้าไปอยู่ในอารมณ์ไปเบิ้งพอจิตส่วนหนึ่งจิตส่วนหนึ่งเขาไปสัมผัสปั๊บก็เออไม่ยังเกิดขึ้นไหมวะทันว่าสติเขามารับรู้ปั๊บไม่ยังเกิดขึ้นมาเอาเบิ้งบรรทุกไปทันเพราเบิ้งมรนทุนี่ไอ้กุฏีที่มันปิ้งขว่มปิ้งไหอยู่นั้นคอยค่อยค่อยคอยคอยค่อยเหมือนกับขื้นมันสงบแล้ววะขึ้นมันสงบสงบเบิ้งบานมาน้อดเบิ้งคักพักนี่ปัทูเกิดก็เกิดปั่นป่วนเกิดล่มเกิดเป็นกวดเป็นแจกอยู่ในหลางกายของเขานี่ของเข้า มันอิดอัดขัดเครื่องรู้สึกมันเกิดตอนน่กำลังสิลแล้วกำนหลรับล่ะโอ้แสดงว่าไอ้ว่าถ้านร่างกายเขาเกิดยังเกิดกี่ม้าหนึ่งสิ่งมันเพราะฉะนั้นว่าจังบ่แปลกเลยท่านเฝันพูนันฝันว่าเป็นอ่างสันผูนันว่าฝันเป็นอย่งสี่เห็นนั่นเห็นนี่ไปก็ยังบ่แปลกเลาว่าการขึ้นเป็นฝันกลางวันเป็นชิดกันวะอันนี้มันเป็นลาข้อเป็นจริงกัเขาเจอในซิงลรีสิปัโมันหลอกเขาได้ไม่แต่ความคิดก็หลอกเขาได้หลอกหลอกหลอกที่เจิมันคิดคิดว่ามันดีคิดว่ามัน เพว่าเพนยังให้มีสติสัมปชัญญะใหมีความานนาูสึกกูเมือในขนังหูสึกในยีบทต่างๆให้สติสัมปชัญญะก็เป็นผู้กำกับดูแลลังเบิงนี่ลังเบิงบ า, งบางอไรควขึ้นผู้เสมือนในห้องเอาควขึ้นป็นตัวใหญ่เอาควขึ้นที่เป็นใหญ่ใไปมัดเห็นแล้วรู้สึกว่าเออแต่เห็นยังคิดปะกะติแนบัไดท่านยังติดคิดปกติแนวบัไดขึ้นไ ป, ะะนปนทั้งที่บดีโงงาไไปัด เพราะฉะนั้นเมื่อเขามีสติมีที่อยู่ของเขามีกาะมีที่พิงของเขาแล้วสติสมรจัญญากอเขามีที่พิงที่พักผาอาศัแล้วสิ่งเล่านั้นมันเกิดขึ้นมามีอยังเกิดขึ้นมาเห็นปุ๊บมีอยังเกิดขึ้นมาเห็นปั๊บทันทีทันทีเกิดขึ้นมาเห็นปุ๊บทันทีอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาเขาเห็นแล้วป่ะเขาหัเาเห็นเาคอแตสัมผัสยดตลอดนี่ตลอดก็โอ้ไอ้คนทุกข์เกี่ยวกัมีเกิดมันมาเกิดขึ้นมาเะทัศนคติวิิตรจรของเขาเด้บางครั้งบางคำนาที่พูดมี ส่วนใหญ่อยากไปน้อยเกียรตนคณะอยากให้กระตุ้นความรู้สึกของเขาความชิดของเขานันย้ายไปจมไหลอยากไปจมอยู่กับความคิดเก่าๆความขึ้นจริงวันที่ทำให้เขาเดือดร้อนทําให้เขาบุนไหวเกิดขึ้นอยากให้เขาตื่นจากอารมณ์นั้นๆจากไอเกลความขึ้นนั้นๆเกิขึ้นมากในขึ้นมากว่ามันว่าบางครัข้าบาคณะก็อาจิะรุนแรงไปนี้ไปจะบังคร้งบางคณะก็เพื่อเพื่อต้องการที่อยากให้เขาตื่น อยากเขาเต้นจากจุดจุดนั้นออกมาให้ไม่ยูกับยืนไม่ไม่ยืนที่จุดนี้ลองบังระวังเขายูจากจุดนั้นเขาไม่ยู่จุดนี้อันไหนไม่สิมีความสงบสุขอันไหนไม่สิมีความสุขกันนี่คนกั น, ก น, กนเหมือนกับปีหนึ่งช่วงหนึง่งในวาสนามให ม, <c oughs> มีโยอมคนหนึง่งหามาบอกว่าแฟนไปนี่นี่น้อยหรือเป่าลุงพ่อจะทํายังไงนี่ยังไงหนูจะทํายังไงอยูงง่ยงงยกันนี้อดไรครับถึงเขา ทำไมเขาถึงไปเขาถึงดนีเข า, เข า, เขาถึงไปกับล้าพึงลําพันหายอะเ้สะสะ ส, ะ ส, ะ ส, ะ ส, ะสะงตกน้าหัน้ำตาหายตะสะะสะะสะหลวงพ่อเทียนอัตมากบะเบืได้ยินหลวงพ่อเทียนเบาขานั้ น, นสิไปห่วงมันยังสิไปห่วงทำไมไอ้ผัวดูที่หมาม่หนึ่งไม่เคยห่วงว่าเป็นผัวใครผัวมันเมียใครว่านต่มสะอึกเลยย้อนผู้นั้นตัดทหลวงพอ่อท่าน่ติดตอบท่านสถิดตอบ กัาาบแม่บอกยังือสื้าเสือผาอกูอารมณ์เก็มันไม่ไม่จับอารมณ์นี้บางลยเสื้อเสืออื่นี่ซื้อมันกลับหรอกถ้าในอารมณ์ลักษณะนั้พเช่นก็บอกว่าไปให้เขากลับมาหนิเหมือนกำนังปัจับจาปัดจลาจาจีสมัยสมัยครั้งคุณศกดินสมัยแดกกบุจบกันน life, <ๆ>ี้ท่านกับเราเนาะเสียสตีที่ผัวตายลูกตายพ่อตายแม่ตาย เสีสติสัมปชัญญะแลนเขก็ไปเนั่นแค่เห็นถ่าันอย่งโบนุ่งบอนี่ทั้งหมดโบนุงบน่งบอถือจังสูงเขาสุมนุ่มกันอยู่ลักษณะนี้สเขามาก่ายยันคนอื่นเขาก็บอกหย่างามานี่ขมา่าเขาพูดเจ้าเห็นแล้วว่าเราจิตอลไรก็เออให้เขามาเพราะบอกใขรว่ามีเธอตัมีสติสัมปชัญญะเถิดดูก่นรณนหญิงเทตัวมีสติอยู่ทุกเมือ่อเถิดแค่นั่นล่ะอันนั้นนิทานเออนี่เขาว่าเขาบอกมาได้ไงให้มีสติทุกเมือ่อเถิดมี่เถิด แค่นั้นล่ะอารมณ์ต่างๆเัดออกไปนี่ออกไปเลยกลับไปอยู่ในปัจจุบ eh, ันในขณะบอลไปอยู่ในอดีตบอลไปอยู่ในอนาคตไอ้พวกเขาในทุกปีนี้อดีตทุกปีนี้อนาคตแต่ปัจจุบันในบริเวณวันเบิ้งล่ะที่ร์เฮดที่ต้องการอยากให้หู้เฮาหู้มาอยู่ในปัจจุบันในเป็นอารมณ์ในปัจจุบันในขณะขณะขณะเบิ้งมันยังสิเกียรติขึ้นมาเขาไปอยู่ในอดีตโอ้ยทุกไปอยู่ในอดีตสุขไปอยู่ในอดีตในอนาคตไปยี่ไปเมื่อมันก็เลยโต๊ะอยู่ในพวังอยู่วังวนมันก็เรื่องตัดตําตัดเด่นขึ้กันนะ ตัดตัดตัดเล่นกันความคืดของข้าวบอยลมบย้อมถอนความขืดออกจากอารมณ์นั้นนสิตัดปันนัยเสียวพามาสวดมานนักเจ่าบริบบรยสมาชจออกได้ตัดออกไปได้แต่ขณะนั้นเขามีสติเขาไปตัดตัาจัดป๊บทันทีเนี่ทนทีอันนั้นแหละคือเป็นการตัดวงจรของความขืดบ่อมันขืดไปในสิ่งเ่านั้นเราก็ทุกตัวนั้นมันที่ว่เกิดึินากระเพ้าความคืดนีก็ทําไปค้นเป็นง่ายเป็นเปียไปได้ด้วยกันความคิดหนีกรทัางไค้นเป็นบ้าไปได้ด้วยกันข้าวบะหมี่สำหรับเช่นยาบุษตีาม ที่ปัดโนกเขาใสา่ ง, งานลูปเชีนโอ้ลูปเทยนปัญญานทยี่เป็เบาสิบอกที่ชี้แจงแสดงให้ให้เขา้าเข้าเห็นจุดๆดนี่ให้เขาเขามารูสัมผัสกันหน่อยเป็นเป็นยัว่าขันเขาเน้ามาคู่ไเห็นใ้ขนั้เขามีชีวิตจีบก่อนสิมดลบหายใจะ เ, เขาก็เห็นวบาแสงเทีย น, นเทียนเฮาจุดไวเพราเทียนจุดไว้เดพรามันกลสิมดเลยมัน ม, ส, มสิเปล่งแสงวาบเลยวะบเพราะว่าระมันดับปั๊บทันทีงที่ตวนั้นแหละคนว่าลูปเทีนปัา เมื่อเขาบ่กให้บอลเห็นว่าเขาใจในในชีวิตดีช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่เขาเสียไปรบประสบแต่บอลบอกว่าคันเฮาประสบในขณะยังมีชีวิตอยู่เนี่ยบอลสิบอลุปบอสงบดีกว่าเสียตายกว่าที่เฮาก่อนที่เฮาจิตายคุณบอกอันนี้แหละพวกเขาก็ต้องต้องคิดมึงขึ้นกันบอลนะโอ้ยมื่อไดนก็สุปุทุกทุกกับสานีกับพอละเอาละสมมาเขาก้นอยู่หลอกกินแล้วไม่เกิมันก็เป็นอยู่ลักษณะนี้แหละแมน อันนั้นสดว่าคนเาอ่อนแอทั้งอ่อนแอทั้งทานชีวิตจิตจของเขาสภาพชีวิตจิตใจของเขานี่มันอ่อนแอเกินไปนี่เกินไปเรื่องโฆษณาการต่างๆนีต่างในปัจจุบันนี้มีมากอาหารการยู่กัรกินเรองอาหารพวกปูพวมูต่างๆนี่ต่างๆนี่เรื่งสุขภาเรื่องกิได้นี่กินได้จนร่างกายของเขาอ้วนมีที่มันกเสมอุ่มอุดมสมบูรณ์ดีนี่ดีแต่กีฬาก่อเห็นเล็กๆน้อยๆมีตาสา้นต่างขโมยมีพุงโล่นปองเดชสูอะไรแบ่นี้ละ มีแต่ความอุดมสมบูรณ์กันดีนี่กันดีถ้าว่าจิตใจมีควารู้สึกว่าอ่อนแอไรจิตใจมีอ่อนแอไม่ยังต่อยแนวบ่อใดไม่ยังติดแนวบ่ดนี่บ่ดที่ขาท tamam ี่ฟันที่ขาที่าอาการายยิ่งกันตายนี่กันตายอิจฉาหรือทยาเกิดขึ้นมาขึ้นมาไปมดเรว่าพุมคุ้มกันเท่านั้นจิตใจของเานี่มันบก่องแล้วมันก็โรคนที่ปัจจุบันกําลังระบาดกันยังไงย่่ื่องโรโเกเะว่าเราพุ่มคุ้มกันในร่างกายเขาบก่อง โลกสิมือมันก็แทรกออกมานี่ยอมาแต่ว่าจิตใจของเขาเนี่รู้สึกมันเป็นโลกคือพุ่มๆกันบกเอะทั้นั้นจิตใจเอะทั้งนั้นจิตวิญญาณของเขานี่ของเขาตัวที่น่ากลัวมากเพราะฉะนั้นมาเมื่อเขามาเห็นมาเป็นนิรันดนี้เขาสีเด็สัมผัสอารมณ์ต่างๆเย็นก้มเย็นอกเย็นใจสบายอกสบายใจเกิดขึ้นมานขึ้นมาราปรารถนาสวรรค์ก็ไ่ต้องไปเรียกร้องหาแล้วกันสวรรค์ก็ไ่ต้องเรียกร้องหานี้พันก็ไ่ต้องเรียกว่าสวรรค์นั้นอยู่ในอกนั่นลบอยู่ในใจหนี้พันอยู่ที่ใดหายใจกันอย่าง อยู่เทไอยู่บทอีโลบาดก็ตามมันก็มีสติสมรจิตใจเขาสงบอยู่อยู่ลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นมาเจ็ดมื่นที่พวกเขามาร่วมกันอในการทํางานทําการทํางานทํางานด้านชีวิตด้านจิตด้านวิญญาณอมันก้าวหน้าอนุโมทนาพวกเขาก็ได้เหตุพวกเขาก็ได้สู่มานี่มากทุกปีที่เขาจัดทุกแคททุกขั้งบางคนอได้ยินว่าบางแม่แม่ของมือสมัแม่บ้านสุทรธาเนะมาทรงให้กจ้เขาเห็นมาจมมาห็นหลวงพ่อสมหมายฟัง ซงเนี่เท่าเขาเลว่าเท่ว่าด้มาปฏิบัติท่าเทียวปีนี้เป็นปีแรกเพรนั้นว่าลูพ่อจาลูมาไว้สูฟังนีู่ฟังกับโแมนก็มาทุกปีเนาะเห็ุทุกปีทำทุกปีอยู่เขาวพพาก็เหตุอยู่ขึ้นกันนี้กันเพราะฉะนั้นความตั้งใจของเขาก็จตั้งใจขนาดไดอ่ามีความตั้งใจมีความพอใจขนาดไดพวกหมู่บ้านพวกพ่อพวกแม่บ้านสุมพท่าในตลาดตะลี่ขึ้นกันรุ่นบ้านโอโทงก้ามายขึ้กันย้า้มันเป็นหรือว่า คนอืน่นทั้งอื่นเขามาตัดตวงเอาไปแต่เขาพอใส่ใจพอสนใจกับชิงแลนี่มันกะรู้สึกมันกะพิษบอใครพอใครถูกต้องบันไดพอความทุกข์เห็นว่าได้เลือกหนาบุเล the ือสันวันนาทั้งเมื่อปีทั้งเมื่อทเป็นการจัการที่เป็นยังต่างๆนีนตามากกว่ารู้สึกว่ากัเมื่อควทุกข์ขีดข้ออะกัทุกข์กันเมื่อนาดาทวามเพียดกันเมื่แม้แต่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้ากันอ่ะเหตุไปทำไปรู้สึกวันนี้เกิดเกิดเป็นความทุกข์เกิดเิมากกว่าบากหรือว่า ก่อาจารย์สมศักดิ์คุณว่าะบวชคาบวชรับบวลองบวชค้องปรเภทนี้บวชดีสงสารบวชสรมผัสกสุขที่คุณว่านี่ไปนี่ไปบาริโหนสิจูเรลราศนาใดบวชเกลือราศนดบวชตัวแบบเภทนี้้องประเป็นี้เอาไว้ทีกัมันก็ดีไปอยู่ที่ว่าสื่อทอดเก็บกันมลบมวยของพูทดเจ้าที่กินพู้ิเจ้าก็บอกว่ามันผู้ปัญญติการบวชนีแบบผว้ดเจ้ากับบวชตามเขาคขกันที่เพิ่นเห็นเทวสูตรทั้งสี่นักบวชอยู่ชุดคุดทยแบบโอ้ขึ้นสีสงบดีนี่ดีแสดงว่าน บนเป็นพระพูทธเจ้าบัญญัติตัวว่าเรื่องมาทำวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นี่ไว้ก็ที่ว่าเพื่นเป็นผู้ต้นตํารับแต่เพื่นสามารถเปิดเที่ยงสวดใส่เมื่อกี้เนี่ยเปิดของที่ปิดงายของที่ข่เอาไว้นี่ไว้ให้มัเห็นแสงสว่างอยู่ตลอดนี่ตลอดเพราะฉะนั้นก็อานุโมทนาในสิ่งกุศลที่ยากที่ย่อมได้มากร่วมกันนี้กันไม่แต่ลอดทั้งพวกแม่ครวัวที่ข้าเจ้าให้การสนับสนุน อ, อดตรลับรับตาหนอน ทางเยาวชนทีใมารวมกันนี่กันหลายผู่หลายค้นซอยคนละใหม่ค้นละเมื่อกันนี่กันยิบค้นได้ดีเชยบางครัมันก็นเยาวชนก็อาจจะนี่ไปแน่นี่ไปแน่ก็ถือว่าเป็นลูกเป็นหลานเนาะแต่ยังดีที่ให้ใครเจ้ามาอยู่วัดอยู่ว่าได้ยินี้ใฟังมาได้ซอยเหลือประกอบจิตการงานต่างๆนี่ต่างๆเนีพวกเขาดีก็เข้าไปให้เจ้าไปมั่วสุมในสิ่งหยาในหยาเสพติดสิงต่างๆนี่ต่างๆเนี่ยยังดีหลายไอพวกเก่บ่มีเดี๋ยวกิ่งงานปิดเทอมเราก็ไปหามั่วสุมกันเสพ อย่าบงอย่าบ so so no? yeah, ้าต้่างนี่าังแต่ถ้าไม่พอแม่นักอกนักใจสาวพวกเขานี่มายูเนี่งเส้นลักษณะนี้เลยกับพอแม่กับเบาอกเบาใจไปได้นี่ไปได้ถึงงอาชีพิดขาดไปบ้างนี่บ้างแล้วก็เอางานต่างๆที่มันกินที่ห้ามมารวมกันนี่หยัดยงมาอยู่กันนี่กันกะบขัมันผิดพลาดบางทีบางอย่างกับเขาทักกันนรับเอาเบิร์ดเนี่ยอย่างแบงแฮจามาอันใดบุพอพยู่ค่อยกินน้าบุพเอาบกัพกันเอาไปจมอยู่พุ่งอะไอยู่บ้านมน่ะเขาวว้กินกินมะอินกัเอาไปจมอยู่บ้านละ เพราะต้องมาให้อัตมาเพราะฉะนั้นกะถือว่าเขากระดดทําการทํางานเพื่อพระศาสนนาะและเพื่อพระผู้ได้เจ้าเป็นตัวแทนของผู้ได้เจ้าที่มาร่วมกันในการปฏิบัติพิสูจน์คาสอนของผู้ได้เจ้าเบิง้งว่าคําสอนของผู้ได้เจ้ามันเป็นจริงหรือบ่อัตมามีความหมั่นใจหรือกระผมมีความมันนม่นใจว่าคําสอนของผู้ได้เจ้าก็ได้เมื่อยุคเมืมสมัยทั้งหมดแม้จะหนีไปนาอีกสองปีาสามร้อยปีทศดาบใดยังมีคนอยู่มันแสดงว่าสิ่งเหล่านี้มันยังมีอยู่ในตัวคนทุกคน ถึงสีบุมีผู้พูดบุ๋มีผู้ว้ากันตามนีก็ตามปรากฏการณ์ธรรมชาติชนิดมันมีอยู่เลยในตัวคนทุกๆคนอ่าขันเฮาขันคนมดโลกนี้ตายกันเนี่ว่าไฟมาไล่กันใหม่เขากันใหม่มดเนี่ยนั่นสิเหลือยี่สามพฮมโพสีจักหมงโฮมเหน่ยบุ้งผาโมโพสีก็ไดายโพสีไปอยู่เสร็จเน่บุ้งเนาะก็เลยบอกว่าเออขันก็พักกันตายมัดเศาว่ากันว่าขันเฮาธรรมาเรือธรรมาอยู่ผคนเดียวไอ้มาไ้่กันมันใหม่นี่มันใหม่เพราะฉะนั้นกับพวกเขากับยามันใหม่ละ ไฟควมถุกควมโรกควบกวดควลงมันใหม่หัวใหม่คิดในใจของเขาในของเขาเผาตลอดะให้มันใหม่แตงนั้นกับต่ง อ, อกต่งใจให้ดีขึนว่าขึ้นนีกับบูเดีเสียสละบนหลับบนนอนเอามาคัดบงก้อนซ้มือสุปไทยก็เอาม า, าดคัดสกกอนเทาะวัตกบโบเป็นโบเป็นยังลผู้สี่ยูมืออื่นเลิกมืออื่นกันบท่านในไปกับสี่ยูติดใจไว้จะ่ยูต่อไปกับยูได้กับเขากับน้ากับเลีของอาหารกับเล้ยไล่กินขขากินน้า มีอีกล้ปีนี้พอได้บินธาบาัติตาบริบบินธาบาตัตพวกแม่ครัวคนรับอมตะตีอ ม, ด, อมดทั้งอาหารทั้งทั้งเขาทั้งนา้าทั้งสิ่งต่างๆก็มีผู้สนับสนุนพวกเขาพวเขาอยู่ตลอดอ่าพขาดพอเกินอ่าพวกเขา ก, ขา ก, ขากขาได้ทกากันทางานนาทีของเขาได้ถูกต้องในพระพิสุสงภายในวัดนีเขาก็ได้ซอยกันคนละใหม่คนละมือเตรียมการเตรียมงานก็นโอ้กา น, น, น, นาเอนโมทนาและผมเองสอผมเฮ็ดผู้เดียวกับเฮ็ดผู้ใดสำเร็จเ ป, ไป็นไปผู้ใดนีผู้ได ก็ต้องอาศัยหนักอาศัยย่อมอาศัยพระภิกษุสามเณรอยูอ<า>่ในวัดในว่าให้คบลงใหม่ลงมือกันนี่กันก็ขอ ข, ขอบคุณขอบคุณกันหลายนี่กันหลายเพราะฉะนั้นมือนี้ปฏิว่าเป็นการบริสั่งบริ่าบุรีเด็กกันเบากันหนี้สูฟังในสูฟังเพราะว่าทุกมือทุกมือเป็นแตมีพระวิทยากรในมาว่าอยู่ตลอดแกอัตมาที่ว่าเป็นผู้เจ้าภาพเลยประหยากเบาประหยาดจาแกอยากให้เพิ่นเบาเพิ่นบาต้นเบาเพิ่นบาคุบยาจันเพิ่นเบาเพิ่นบามืออื่นเศร้า คนที่ไปอยู่ไซก็ต้องจับขึ้นมาบนธรรมาทให้ได้สําหรับหลวงพ่อสมหมายเป็นแต่สีกันใจตายเมื่อแรกนี่นอกจากนี้เพิ่มหนิพอใครหลวงพ่อสมหมายกับใครใจเป็นี้่งเด็กคนกับ่อใครพูดไขรคุยแต่ ค, คือหลวงพออง่อท้องนั่นแหละอาตมาไ่เห็นอาจารย์ท้องกับอาจารย์สมหมายในว่ามันพี่น้องกันเห็นขั้นแรกนี่อาจารย์โน้นถามอาจารย์ต้องอาจารย์หูใจาอาจารย์สมหมายบ่นี่ยเป็นหัน่งโั้นมา เม่นพี่มันองกันบ่เอาทันวะมันมันน่องอันไฟยันมันก็ได้คือาทนวบ่กันบุคลิกขาทั้งันคือกันมดแต่ก่อนอาจารย์ท้อคนก่อนเบ่อาิบแม่อาจารย์ท้อในปัจจุบันนี้อาจารย์ท้องคนก่อนนี่บุคลิกาทั้งทั้งคือกันมดเดี๋ยวเห็นกนคือกันนะเสียงกันเนี่เยขัขนาดแล้วอไป กันเพ่นในที่ขึ้นวนาโตอือันนี้กั น, นเพราะฉะนั้นว่าอาทิว่าเพิ่นก็เป็นครูบาอาจารย์อ่ารุ่นใหญ่รุ่นพีรุ่นนี่พอสมควรอ่รกน็หเพิ่นแต่ก็หลของผมเี่ยมาจะอาทิอายุเดต้อง บ, บ, บ, บ, บอ่องธรรมาเนาะก็ากรจะมีความรักความขลุ่นกับเพ็่นให่ความขลุ่นกับเป็ น, ใครครปนยในตัวของเขานี่ของเข้าอาทิตย์มองลักษณะได้ก็ตามจึงลงพระท้องกันนะให้ชีวะให้ชิวาลักษณะได้ก็ตามกับมีความมั่นใจในตัวเพิ่นนีกัน อ่าแต่กันผู้เรมัดนี่ก็เพิ่นเหมือนกันกันเตะยูสองก็สองกเอาคือกันกระบอกกระเตือนเพิ่งตะว่าขึ้นกันตักคนตังบ้าให้กันใจก็มุ้ยเตยเกาบ้าเกาบ้าน้อบางทีบางอย่างในคนยันหลายหลายอย่างในใจท้องแต่ว่าผมเรือไปมานกันยันอยู่คือกันนั่นล่ละยันอยู่คือกันกระโบนเมนบายันเพิ่นนี่เพิ่นเพราะฉะนั้นกขอขอบคุณขอบคุณกัญญาติกัยมกับเพื่อนกับพระปิสูสามเน้นเท้ากับพครูบาอาจารย์ที่ได้ร่มไม่ลมมือกันนีกัน เออมื่อนี้ก็เห็นวลาสมควรเจริเวลาจะขอหยุดติ๊กไว้เทียงแค่นี้